พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสนคราวินเท ย, ยสูตรว่าด้วยพราหมลกหบดีชาวบ้านนครวินทะเรื่องพระที่ควรบูชาทำบุญด้วยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสเด็จจาริกไปในแคว้นโกสลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสเด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ของชาวแคว้นโกสลชื่อนครวินทะพราหมลกหบดีชาวบ้านนครวินทะ ได้ทราบกิตติศัพท์อันงามขจรของพระผู้มีพระภาคจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงธรรมแก่พราหมณและกะหบดีชาวบ้านคนครวินทะไว้ดังนี้ว่าพราหมณ์และกะหบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดียร์ถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เช่นไรอันท่านทั้งหลายไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพ ไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบพัญญาเดีรทีบริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมเหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะคือความกำหนัดยังไม่ปราศจากโทสะคือความขัดเคืองยังไม่ปราศจากโมหะคือความลุ่มหลงในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในโผฏฐพะที่พึงรู้แจ้งทางกายในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในระพติไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่กวนสักการะไม่กวนเคารพ ไม่ควร น, นับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายก็ยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในโผฏฐพะ ท, ที่พึงรู้แจ้งทางกายในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจ เราทั้งหลายมีจิตยังไม่สงบในภายในอย่างประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนี้คือเทียบนักบวชกับคารวาสแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันมีกิเลสเหมือนกันอย่างไม่เห็นว่ามีคุณธรรมสูงกว่าชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้น สมณพราหม์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาถ้าอัญญะดีรธีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าสมณพราหม์เช่นไรอันท่านทั้งหลายควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาพึงตอบอย่างนี้ว่าสมณพราหม์เหล่าใดประศาจากราคา์ประศจากโทสั ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในผลทัพภพะที่พึงรู้แจ้งทางกายในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจ สมณพราหมเช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะโทสะละโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเป็นต้นนั้นเราทั้งหลายมีจิตยังไม่สงบในภายใน ยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและใจแต่พอเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาถ้าอัญญะเดีรตีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่า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 ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดอันเป็นที่ไม่มีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาซึ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วจะพึงยินดีอันเป็นที่ไม่มีเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูซึ่งคนทั้งหลายฟังแล้วจะพึงยินดีอันเป็นที่ไม่มีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วจะพึงยินดี อันเป็นที่ไม่มีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแล้วจะพึงยินดีอันเป็นที่ไม่มีผดผะที่พึงรู้แจ้งทางกายซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วจะพึงยินดีท่าทางและการปฏิบัติเหล่านี้แหลเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากและปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะ โมหะเป็นแน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วรามลักหบดีชาวบ้านนครวินทะชื่นชมสรรเสริญพระภาสิตและประกาศตนเป็นผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจบนักระวินเทยสูตรหมายเหตุผู้อ่าน ข้อนี้จุดประสงค์น่าจะส่งแนะนาชาวบ้านในที่นั้นมากกว่านะครับว่าให้เริ่มนับถือบูชานักบวชประเภทเช่นไรเพราะการที่ไปตอบคำถามอัญญาดิรถีคงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่าลืมนะครับว่าการสอนในทางพระพุทธศาสนามีหลายวิธีการยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายเพื่อให้จิตผู้ฟังน้อมใจตามได้ง่ายก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่พบได้บ่อยในพระไตรปิฎกนะครับ พระสูตรนี้ควรนำมาระลึกนะครับว่าที่กล่าวต่อต่อกันมาว่าชั่วช่างชีดีช่างสงนั้นทำบุญไม่ต้องเลือกพระหรอกทำทำไปเหอะเราได้บุญแล้วนอกนั้นช่างมันจึงไม่น่าจะตรงทางหลักของพระพุทธศาสนาเท่าไรหนักนะครับเพราะเราต้องรู้จักเลือกด้วยพระที่นอกลู่นอกทางบันเทสนอกศาสนามาให้บูชาใช้เดรัจฉานวิชาต่างๆาที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว ผิดพระวินัยมีมิจฉาอาชีวะทำคนงมงายติดลทัทธิพิธีกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรนับถือบูชาสักการะซึ่งไม่ใช่แค่ไม่กราบไหว้นะครับแต่ต้องไม่ทำบุญกับคนพวกนี้ด้วยที่เป็นเหลือพระศาสนากัดกินบ่นทำลายได้มากกว่าที่เรากลัวว่าศาสนาอื่นจะมาทำลายซะอีก สำหรับการพิจารณาเรื่องพระที่ผิดศีลผิดวินัยก็ต้องเข้าใจพระวินัยจริงด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นกาะ ก, กรรมหนักปรามาตพระอริยะได้พระอรหันต์ทำอะไรไม่เกิดเป็นกรรมจึงไม่ผิดเพราะไม่มีเจตนาเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นมีข้อแม้ว่าพระแท้จะไม่นำความเชื่อศาสนาอื่นมาแนะนำชาวพุทธมาชวนให้คนกราบไหว้ และจะชวนคนให้กราบไหว้ยึดถือแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นในแบบที่ยึดคำสอนมาปฏิบัตินะครับไม่ใช่เพื่อขอพรอ้อ น, ออนวอนแบบลทัทธิเทวนิยมต้องสอนให้คนปล่อยวางและมีตนเป็นที่พึ่งของตนไม่แม้แต่จะสอนให้ยึดติดในบุญบ้าบุญหรืองมงายในเดรัจฉานวิชาต่างๆพระแท้ยอมสอนและเผยแผ่ ข้อปฏิบัติในมรรค8คือทางเป็นอริยะเท่านั้นสำหรับพระวินัยนะครับตั้งมาเพื่อให้พระที่ยังไม่บรรลุธรรมได้ปฏิบัติเป็นหลักเหมือนคนมีบาดแผลต้องพึงระวังไม่ให้แผลลุกลามต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แผลหายแต่สำหรับคนที่รักษาจนบาดแผลหายแล้วยอมไม่ต้องกังวลข้อห้ามเล็กน้อยนั้นอีกต่อไป บางอย่างก็เป็นอนุสัยนะครับเป็นนิสัยความเคยชินติดมาแต่ชาติปางก่อนส่วนนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยอย่างเช่นในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงพระอระหันต์พูดคําหยาบจนติดปากนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสินแล้วว่าไม่ได้ผิดอะไรกรณีพระรับเงินผิดก็ต้องดูเจตนานะครับว่ารับเพื่อใครถ้าเป็นตัวแทนรับไว้ให้คณะสงฆ์ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วใจไม่ยินดีในเงินทองนั้นแบบนี้ไม่ผิดนะครับซึ่งทุกวัดควรมีการนำเงินเข้ากองกลางและทำเรื่องเบิกเมื่อจำเป็นและคุมให้พระเนนทำสมาธิจงกรมเจริญสติตลอดวันซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วว่าต้องทำอย่างไรระมีกิจอะไรบ้างข้อนี้ถ้าทำได้นะครับจะทาให้คนปลอมบวชไม่มีความสุข และทนบวชต่อไปไม่ได้แต่พระแท้ที่ปรารถนาทางคนทุกข์จะมีความสุขและก็ตัดปัญหาแต่ต้นได้เพราะการบวชผมเองก็ยังไม่เห็นความจําเป็นตรงไหนนะครับที่ต้องมีเงินส่วนตัวถ้าคนเข้าถึงธรรมจริงๆนะครับแต่ถ้าคนยังเข้าไม่ถึงก็จะมีข้ออ้างเพื่อรักษาประคองกิเลสและทิฏฐิของตนได้อยู่เสมอนั่นแหละเพราะว่าการบวช เพื่อสละโลกเพื่อสละทรัพย์เพื่อสละทุกอย่างถ้ามีการสะสมมีการยินดีเงินทองก็ไม่ควรเป็นพระก็ไม่ควรไปบวชแล้วนะครับสำหรับเรื่องของวัดนั้นถ้ามีการบริหารที่ดีของเจ้าอาวาสแล้ววัดนั้นทาถูกต้องตามประเพณีแล้วเบิกไปใช้แต่สิ่งที่สมควรแก่พระเช่นหากจำเป็นเจ็บต้องเดินทางหรือกรณีอื่นๆ และหรือหากกองกลางไม่มีพอพระพุทธองค์ก็ยังทรงอนุ ญ, ญาตให้มีโยมอุปัฏฐากนะครับขอกับโยมได้โดยตรงแต่ต้องเป็นคนที่เขาปรวารนาไว้แล้วโยมที่ไม่ได้ปรวารนาไว้ไม่มีสิทธิ์ไปขอนะครับผิดวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งตรงนี้ก็ขอให้ระวังวด้วยนะครับผมเองก็เจอทักมาขอให้ทาบุญหลอกให้ทาบุญบวชพระนะครับ สมัยนี้จะทําบุญต้องคิดให้มากๆตรวจสอบให้ดีนะครับบางทีทส่งรูปส่งหลักฐานอะไรมาก็เป็นของปลอมก็เยอะนะครับจริงๆเรามีงบประมาณส่งเสริมศาสนาเยอะมากน่าจะจัดสรรมาเป็นกองกลางได้สําหรับพระสง่์ทั่วประเทศนะครับให้ทําเรื่องเบิกได้ตามความเป็นจริงตามความจําเป็นเช่นบางวัดกันดานมากไม่มีคนทําบุญก็ไปดูแลตรงส่วนนั้นเน้นสิ่งที่จําเป็นนะครับ ไม่เห็นความจาเป็นต้องสร้างอะไรใหญ่โตให้สวยงามเพราะว่าขัดหลักของพุทธศาสนาที่ต้องสมถะและใช้ในแบบพอเพียงทุกอย่างมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับว่าจะให้เอื้อต่อการประพฤติ ธ, ธรรมตรงตามคำสอนพระศาสดาหรือจะปล่อยปะละละเลยจนเละเทะวัดกลายเป็นแหล่งหาเงินของคนที่ไม่มีอะไรจะทำเป็นที่ทำพิธีกรรมผิดหลักศาสนาบางก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ลายเป็นที่จัดคอนเสิร์ตเอากิเลสมองเมาผู้คนซะอีกเกิดข่าวเสื่อมเสียได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีได้ข่าวมาตลอดตั้งแต่ผู้อ่านยังเป็นเด็กน้อยจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็ยังไม่เห็นว่าข่าวพวกนี้มันจะลดลงเลยและยิ่งมาศึกษาพระไตรปิฎกก็ยิ่งแปลกใจนะครับว่าพุทธบัญญัติมีไว้ครบถ้วนทุกทางทุกอย่างเพื่อรักและคารวะ แต่ดูเหมือนสิ่งที่เห็นจะขัดแย้งกับคำสอนพระพุทธเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแม้แต่การสวดมนต์ที่ห้ามลากโยนเสียงเหมือนร้องเพลงก็กลายเป็นเรื่องปกติที่ทำกันแล้วดูว่าขลังหรือคิดว่าเป็นกุสโลโบายให้คนฟังทำไม่ว่าจะทำอะไรนะครับลองถามตนเองดีๆว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ถ้าท่านทรงประทับ อยู่ตรงหน้าของเราทุกคนสิ่งที่ทําท่านจะตําหนิหรือส่งเสริมและจะน่าละอายต่อพระองค์หรือไม่คิดให้ได้แค่นี้นะครับรับรองว่าความน่าสมเพชจะไม่เกิดกับพระศาสนาที่นักบวชเองนั่นแหละที่ทําให้ศาสนามัวหมองไม่ใช่ใครอื่นเลยศา ส, สนาพุทธกําเนิดมาเพื่อกําจัดความงมงายความเชื่อแบบผิดๆที่มีมาก่อน แล้วก็ยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้แต่นักบวชบางพวกนะครับไม่ศึกษาพระไตรปิฎกไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ดันกลับเอาความเชื่อนอกศาสนามามอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงงม ง, งายขัดปลักศาสนาและขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิที่ขวางกั้นไม่ให้สามารถทำข้อปฏิบัติอื่นสำเร็จได้เลยไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลย เรื่องนี้ก็ต้องย้อมมาถึงการเข้าใจกฎแห่งกรรมนะครับถ้าที่บวชกันแล้วเข้าใจเห็นชัดว่าชาติหน้าอานิสง์ของบุญเป็นอย่างไรคงไม่กล้าทําสิ่งที่ทํากันจนกลายเป็นประเพณีหรือทําตามกันมาเราคิดว่าขลังว่าดีว่าเป็นบุญกันแบบนี้หรอกครับบางทีก็อ้างเป็นกุสโลบายเพราะคนพวกเนี้ยปัญญาซามจริงๆถ้าเข้าถึงคําสอนพระพุทธเจ้าจริงนะครับมันมีวิธีอีกเยอะที่สอนได้ โดยที่ไม่ต้องทำสิ่งน่าละอายผิดพุทธโอวาสพุทธบัญญัติอย่างที่กระทำกันอยู่ในทุกวันนี้สัตว์ร้ายโจรร้ายคนใส่ร้ายคนลอบทำร้ายผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหนักนาสาหัสพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าปราบได้ด้วยธรรมะแท้อย่างไรสำหรับเรื่องพระรับเงินแล้วไม่ผิดถ้ายิ่งบรรลุธรรมแล้วยิ่งไม่ผิด ยกตัวอย่างหลวงตาพระมหาบัวนะครับที่รับบริจาคทองและแบงค์ดอลล่าเข้าคลังหลวงเรื่องนี้ต้องดูเจตนานะครับและเข้าใจพระวินัยด้วยจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ